วันนี้เป็นวันเสาร์ที่23สามีนาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมารรมเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปสิ่งที่พุทธศาสนาจะมอบให้กับพุทธศาสนิกชน ผู้ฝ่ายทำได้คืออะไรก็คือวิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นจากความทุกข<ม>์ทั้งปวงการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระพุทธศาสนาจะสอนให้ได้หลุดพ้นนั้นก็มีแบ่งเป็นสีขั้นสี่ระดับด้วยกัน<ม>ที่เรียกว่ามรรคผลนิพพาน มรสีนิพนธ์มรสีผลสีนิพานหนึง่งการปฏิบัติจะว่าเป็นสี่ขั้นหรือห้าขั้นก็ได้ถ้าถ้านับนิพานด้วยก็เป็นห้าขั้นถ้านับแค่มรกกับผลก็มีอยู่สี่ขั้นคือได้แก่โสดาปฏิมรสีโสดาปฏิผลเป็นหนึ่งคู่เป็นขั้นที่หนึ่ง ที่แบ่งเป็นสองคู่ก็เพราะว่าต้องมีเหตุและมีผลตามมาเหตุคือการปฏิบัติมรรคคือการปฏิบัติผลก็คือการบรร ล, ลุที่จะได้จากการปฏิบัติ <eed S 1> เลยเป็นมรรคผลขึ้นมาเป็นคู่คู่มีสี่คู่ด้วยกันสี่ระดับด้วยกันของการดับความทุกข์ทางใจ ผู้ที่หเราเรียกว่าโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลผู้ที่สองเรียกว่าสกิดาคามีมักสกิดาคามีผลผู้ที่สมเรียกว่าอานาคามีมักอานาคามีผลและผู้ที่สคืออรหัตมักและอรหัตผลถ้าได้ ขั้นอรหัตตมรรคก็จะได้พระนิพพานเป็นจุดที่สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวง<ม>ถ้าได้ขั้นอื่นเช่นขั้นโสดาขั้นสลิกาอะกิลาคามีอนาคามีนี้ยังไม่ได้พระนิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพราะยังมีความทุกข์เหลืออยู่อีกขั้นหนึ่งคือขั้นอรหัตตมรรค อรหัตผลแต่พอได้ขั้นอรหัตมรได้ขั้นอรหัตผลแล้วนิพพานก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นสาหรับผู้ที่ได้บรรลุอรหัตตผลคือพระอรหันต์นี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาหรือประโยชน์ที่พุทธศาสนิกชนจะพึงได้รับจาก พระพุทธศาสนาแต่การที่จะได้รับผลประโยชน์อันนี้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป็นพระพุทธศาสนิกชนเพียงอย่างเดียวคําว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนี้แปลว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาก็คือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเชื่อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะสามารถสอนให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้นำมาไปปฏิบัติสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แน่เชื่อในพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุถึงวิมุตติ นิวิมุตินิพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แล้วนี่คือความเชื่อใครมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ถือเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนนี้ไม่ได้เป็นชื่อที่เราเขียนไว้ในทะเบียนบ้านเช่นบางคนมีชื่อในทะเบียนบ้านว่านับถือศาสนาพุทธ แต่ถามว่ารู้จักว่า พ, พระพุทธศาสนานี้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้รู้จักคาสอนรู้จักพระพุทธเจ้าหรือเปล่ารู้จักพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าถ้าตอบว่าไม่รู้ก็แสงว่าเป็นพุ ท, พทธเถียมไม่ใช่พุทธแท้พุทธที่เชื่อกันตามมาเกิดในครอบครัวของบิดามารดา ที่นับถือศาสนาพุทธนับถือแต่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาก็ได้นับถือแบบงมงายคือรู้จักพระพุทธรูปรู้จักวัดรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าที่บิณฑบาตก็คิดว่านี่คือพระพุทธธรทำพระสงฆ์แต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราเชื่อเราเห็นเรากราบไหว้กันนั้น เป็นเพียงตัวแทนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทนั้นพระพุทธรูปที่เราเห็นตามโบสถ์ต่างๆ ต, ตามวัดต่างๆนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นตัวแท น, เ ป, นเป็นเป็นหสิ่งที่เราระลึกถึงตัวพระพุทธเจ้าอีกทีนึงเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งคำสอนนี้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้ ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้อ่านเราก็จะไม่ได้รู้จักพระธรรมคำสั่งคาสอน mm hmm. รู้ว่ามีพระธรรมคำสอนแต่ไม่ศึกษาก็เหมือนกับไม่ไม่รู้อยู่นั่นเองจะ mm hmm. เข้าถึงพระธรรมคำสอนได้ต้องมีการศึกษา mm hmm. มีการฟังเทศคังธรรมส่วนพระสงสาวกพระสงฆ์ที่เราเห็นกันบิณฑบาตกันผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาบวชสั้นบวชยาว นี่ก็ยังไม่ใช่เป็นพระอริยรสงสารของพระพุทธเจ้ายังไม่เป็นเรื่องแปลกที่มักจะมีเรื่องเฉาต่างๆปรากฏกับพระสงองค์เจ้าที่เราคิดว่าเป็นพระอริยรสงสาร ก, กันท่านเป็นเพียงแต่ผู้ที่พยายามที่จะเป็นผู้ที่มาเป็นเหมือนเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการที่จะเรียนเพื่อให้ได้ บาลิ ญ, ญาของพระพุทธศาสนาแต่ยังไม่ได้ถือว่าเป็นพระอริยสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าต่อย่างใดความประพฤติของท่านจึงอาจจะเป็นมีความด่างพร้อยได้มีเรื่องมีราวอะไรต่างๆที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆก็ขอให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นพระอริยสงสาวก ข, ข, ของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์แล้วท่านจะเรียบร้อยดีงามหน้าเรื่องใสหน้าเคารพหน้าศรัทธาหน้ากราบไหว้บูชาทางนี้ทางนั้นก็เป็นเพราะว่าเรายัางเป็นพุทธในทะเบียนบ้านอยู่ถ้าเราเป็นพุทธแท้แล้วเราจะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าที่แท้จริงว่าเป็นใครกันแน่ต้องรู้จักประวัติของพระพุทธเจ้า เช่นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดในตระกูลของกษัตริย์หลังจากอายุปีสิบเก้าปีหลังจากที่ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เกิดความสลดสังเวชในการที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็อยากจะหา ทางที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ได้เห็นนักบวชทั้งหลายที่เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติเพื่อหาทางที่จะทำให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็เลยจะศรัทธานในนักบวชที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย ก็เลยทรงสระละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชไปบวชไปศึกษากับพระครูบาอาจารย์ต่างๆอยู่หกปีด้วยกันจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอหรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาสุดพ้นจากความทุกข์ทางใจอย่างสิ้นเชิงทุกข์ทางใจที่เคยมีในใจนั้นหายไปหมด ไม่ว่าจะเป็นความกังวลความหวาดกลัวความวิตกความเครียดความเศร้าโศกเสียใจความรู้สึกไม่สบายใจในลักษณะต่างๆนั้นหายไปจากใจอย่างสิ้นเชิงได้ส่งค้นพบวิธีของการปฏิบัติเพื่อทำให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจ นั่นได้นำเอาไปปฏิบัติพิสูจน์ได้ด้วยพระองค์เองจงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทางที่ได้ทรงคน้นบทางที่ได้ทรงปฏิบัตินี้เป็นทางที่ถูกต้องในการที่จะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ได้อย่างแน่นอนอหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงโปรดเมตตาประกาศพระธรรมคําสอนของพระ อ, องค์ที่ได้ทรงตัดสั่งให้แก่สัตว์โลก บำเพ็ญการเผยแพร่สั่งสอนตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันหลังจากที่ได้ได้ทรงตัดสารุในอายุ35ปีก็ทรงบำเพ็ญเผยแพร่ทแกส่สว์โลกอยู่ถึง45ปีจนถึงอายุ80ปีด้วยกันก็สล ะ, ะสังขาร ละสังขาร น, นิพพานเเวลาพระพุทธเจ้าพระสารดับละสังขารหรือตายนี้เรามักจะไม่ใช้คำว่าตายัเราเรียกว่านิพพานกันคำว่านิพพานก็คือจิตก็เข้าสู่นิพพานแต่ความจริงจิตนี้เข้าถึงนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายกันพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระนิพพาน ตั้งแต่ตอนอายุ35ปีด้วยกันตอนที่ตัดสรู้ทมที่ใต้โคนต้นโพตอนนั้นจิตของพระพุทธเจ้านี้เข้าถึงพระนิพพานแล้วได้พระนิพพานมาเป็นสมบัตินะแต่ภาษาของทางโลกเวลาคนตายนี้เรามักจะไม่ชอบใช้คำว่าตายกันเพราะฟังแล้วมันน่ากลัวก็เลยหาคำสวยๆมาให้ฟังกัน เช่นถ้าพระเจ้าแผ่นดินตายเราก็เรียกว่าสวรรคตไปสู่สวรรค์ถ้าพระอาหารหันต์ตายพระพุทธเจ้าตายก็ไปนิพพานแล้สังขารแล้วเข้าสู่นิพพานจเจด็จ ด, ดับขันปาินิพพานไปแต่ความจริงก็คือความตายของร่างกายส่วนใจนี่อยู่นิพพานมาตลอดอยู่แล้วอยู่ตั้งแต่ได้บรรลุรรมขั้นสูงสุดคือขั้นอาหารหัตผลตอนนั้นก็ได้เป็นพระ พระอรหันต์พระอรหันต์นี่ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันถ้าเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตัวเองคือไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกว่าทำอย่างไรให้เป็นพระอรหันต์ได้ก็จะเรียกว่าเป็นพระอรหันตสามมาสามพุทธเจา้าคือสามารถรู้วิธีการบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตัเองก็มีเพียงองค์เดียวเท่านั้นในพระพุทธศาสนาแต่แต่ละพระพุทธศาสนา ที่มีมาปรากฏอยู่ในโลกนี้อยู่เรื่อยๆไม่ใช่มีเพียงแต่พระพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันนี้เพียงศาสนาเดียวเท่านั้นแต่จะมีพระพุทธเจ้ามาบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยตนเองนี้อยู่เรื่อยๆแต่บรรลุได้จะมีได้ก็เพียงคนเดียวเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากมากที่สำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเรานี้ จะสามารถที่จะบรรลุถึงพรานิพานได้ด้วยตนเอง<ม>ถ้าผู้ใดาสามารถบรรลุถึงพระนิพานได้ด้วยตนเอง<ม>ก็จะเรียกว่าอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>แต่ถ้าใครได้ศึกษาได้เรียนรู้<ม>พระธรรมคําคสอนจากพระพุทธเจ้าอีกทีนึ่งแล้วนํามาไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ ท่านเหล่านั้นก็จะเรียกว่าพระอรหันตสาวกไม่ได้เรียกว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นในช่วงที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่นี้ถ้าใครอยู่ลีลมาตู่ว่าเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นความจริงแล้วไม่รู้ความจริงของพระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไร <c oughs> ความจริงก็คือ ตอนเองไม่ได้รู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองไม่ได้เป็นพระอรหันได้ด้วยตนเองแต่เป็นได้เพราะว่าได้ได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจากสื่อต่างๆอาจจะได้ยินได้ฟังจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าหรืออาจจะได้ยินได้ฟังจากการเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า มีอยู่ในพราไตรปดกมาอ่านให้ฟังกันก็ได้อันนี้ถือว่าไม่ได้บรรลุเป็นพระอหรหันด้วยตนเองบรรลุเป็นพระอหรหันเพราะว่าได้เรียนรู้พระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอิททอดอคำว่าสาวกก็คือลูกศิษย์นี่เองลูกศิษย์ลูกหาหรือนักศึกษานักเรียนหรือผู้ฟังคําว่าสาวกแปลดโดยตรงนี้แปลว่าผู้ฟัง ผู้รับรู้ผู้เรียนรู้จากผู้อีกทีหนึ่งเรนธาอาหารนี้จึงมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันอาหารตัดสัมมาสามพุทธเจ้าและอาหารตสัมมาอาหารตัดสาวกเป็นผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอีกทีเป็นนักเรียนนักศึกษาของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเรานี้กําลังเป็นนักศึกษานักเรียนของพระพุทธเจ้า เรามาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากันแล้วถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติตามคำสอนอย่างถูกต้องที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนแล้วมรรคผลมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็จะตามมาทันทีพอมาถึงเราก็รู้แล้วว่าเราได้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่เราจะรู้ว่าเราเป็นพระอรหันต์เพราะเรา ได้ยินได้ศึกษาพราะทําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเองเราอาศัยคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องนําพาให้เราได้บรรลุถึงพระนิพพานกันอันนี้คือคําว่านิพพานเวลาที่เราใช้เวลาที่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระ สงองค์เจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นพระสุ ป, ปฏิปันโนเราก็จะเรียกว่าท่านนิพพานท่านไม่ได้ตายท่านนิพพานแต่ความจริงก็แปลความหมายก็คือตายเหมือนกันเพียงแต่ว่าทางโลกเราก็มีคํามีศัพท์ที่จะใช้แทนคําตายหลายศัพท์ด้วยกันถ้าเป็นพระธรรมดาเราก็เรียกว่ามรณภาพพระสอ์รูปนั้นมรณภาพ ถ้าเป็นพระที่เราเชื่อว่าเป็นพระอารหรันเราก็เรียกว่าท่านนิพพานไปแล้วท่านละดับขันธะลิดับขันธะลินิพานพระพุทธเจ้าทรงดับขันธะลินิพานเป็นต้นแต่ความจริงใจของท่านนี้ถึงนิพพานไม่นานแล้วถึงนิพพานตั้งแต่วันที่ท่านบรรลุเป็นพระอารหรันต์ฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าพระอารหันต์นี้ไม่ได้ ไม่ได้ไปพระนิพานตอนที่ตายบรรลุม oui. ไม่ได้ไปถึงพระนิพานตอนที่ตายไปถึงพรานิพานนั้งแต่แต ย, <Goodnight. S 1> ยังไม่ตายถ้าตายแล้วมาไปถึงพระพานิพานก็จะไม่มีโอกาสที่จะเอาพานิพานมาเผยแผ่สั่งสอนให้ก um <hundred. S 1> ับผู้อื่นได้ถ้าถึงนิพานตอนที่ตายแต่นี่ท่านถึงพระนิพานก่อนตายท่านถึงสาถท่านถึงสามารถเอาวิธี ที่ทำให้ท่านไปถึงพระ น, นิพพานได้นั้นมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อีกทอดนึง mm hmm. บางคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องต้องตายถึงจะไปถึงนิพพานได้แต่ความจริงจิตนี้ไปถึงนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้ไม่ได้ไปนิพพานอย่างแน่นอนต่อให้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้ไปนิพพานแต่ไปสู่เมนไปสู่หลุมฝังศพพระพุทธเจ้าตาลีละร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ถูกถูกเผาไปถูกเผาไปใจข้าง่งหรือเป็นเป็นเศษพระาธาตุอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของพระพุทธเจ้าหรือร่างกายของพระอรหันตสาวกก็คือ เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วนี่เวลานำเอกไปเผานี้จะมีเศษอัฐิบางส่วนนี้จะกลายเป็นาธาตุขึ้นมาคํำว่ า, าธาตุก็คือเป็นเหมือนก้อนหินนี่แหละเป็นก้อนหินหรืออัญญมณนะีซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัฐิของพระพุทธเจ้าและอัฐิของพระอรหันตสาวกเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นแม้แต่พระอริยบุคคลขั้นอื่นก็จะไม่กลายเป็น อัติจะไม่กลายเป็นพระธาตุได้ mm hmm. เหตุที่ทำไมอัตถิของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์จึงเป็นพระธาตุได้นั้นตามคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้ถึงนิพพานแล้วที่ได้กาจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองต่างๆนั้น เครื่องเร้หมองต่างๆที่มีอยู่ในใจนั้นได้ถูกกาจัดไปหมดจนจิตใจเป็นสะอาดบริสุทธิ์จิตความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะซักพอกกระดูกในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วพอเวลาที่ร่างกายตายไป <Yeah. S 1> กระดูกที่ได้รับการซักพอกบางส่วนนี้ <Yeah. S 1> ก็จะกลายเป็นพระธ า, า <Yeah. S 1> ตุขึ้นมานี่คือ คำบอกเล่าของครูบาจารย์ที่ท่านได้พิจารณาได้วิเคราะห์แล้วก็นำามาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานี่คือเวลาที่เราไปกราบพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอริยสงสาวกก็ดีซึ่งขณะนี้มีได้ได้มีการอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียแล้วไปตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ไปกราบไหว้บูชาเพราะถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาการเป็นมงคลจากการที่เราได้ไปกราบไหว้สลีละพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นการยืนยันให้เรามีความมั่นใจเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริง พ ร, ระอรนตสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีจริงไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายที่แต่งกันขึ้นมามีหลักฐานยืนยันมีธาตุของพระพุทธเจ้าที่ได้มาเกิดอยู่ในโลกนี้เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีและได้ตายจากโลกนี้ไปเป็นเวลานานแล้วนั้นเป็นเรื่องความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่งกันขึ้นมาเป็นนิยายคือเพื่อให้ชาวพุทธเรามีความมั่นใจว่า พระพุทธเจ้ามีจริงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีจริงแล้วเมื่อมีจริงแล้วคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นของจริงเหมือนกันคําสั่งคําสอนที่มีบันทึกเก็บไว้ในพระคัมภีรที่เรียกว่ า, าพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นของจริงเป็นคําสอนที่ถ้าผู้ใดสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้แล้ว ก็จะสามารถบรรลุมรคผลนิ่านได้เช่นเดียวกันหรือถ้าได้มีโอกาสได้พบกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่มีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์พระที่มีคาสั่งคาสอนที่แจ่มแจ้งฟังแล้วเข้าใจสามารถนำมาไปปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะบรรลุมรคผลนิฐานได้ คือเสริมศรัทธาความเชื่อให้แน่วแน่นั่นเอง mm hmm. การได้ไปกราบพระธาตุต่างๆคือท่านแสดงว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาถ้าได้มีโอกาสไปกราบพระธาตุ mm hmm. ก็จะทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. สำหรับผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้ว mm hmm. แต่ยังไม่เต็มร้อย mm hmm. พอได้ไปกราบพระธาตุ ของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอริยสงสาวุก็ดีก็จะทําให้เกิดศรัทธาความเชื่อเต็มร้อยไม่ลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่นี่คือความผลที่ได้ที่เกิดจากการที่ได้ไตรกาศลีละ ตัวแท้คือพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือพระธาตุของพระอรหันตสาวกนี่สืบซี่มาว่าทําไมจึงมีการสร้างเจดีย์กันอยู่ตามสถานที่ต่างๆ<ม>ในประเทศไทยเหล่านี้มีเจดีย์องค์แรกก็คือที่นครปฐ ม, มคําว่าปฐมก็แปลว่าอันแรกนี่นปฐมเป<ม>็นเจดีย์เวลาที่ครั้งแรกที่พระพุทธศาสานามาปรากฏ คือมีพระอาจารย์ตัสาวกมาเผยแผ่ธรรมะให้แก่ประเทศไทยนั่นก็ไปเผยแผ่อยู่ที่แถวนครปฐมนั้นจึงมีความเชื่อว่าเป็นที่มงคลเป็นที่ที่ควรที่จะสร้างพระธาตุพระเจดีย์ขึ้นมาถ้าถ้ามีโอกาสได้ไปรับพระธาตุจากที่ไหนมาถ้ามีใครเอาพระธาตุของพระพุทธเจ้ามาให้เราก็มักจะนิยมสร้างเจดีย์เป็นที่เก็บเอาไว้ เพื่อที่จะได้เป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธเวลาที่เราเห็นเจดีย์นี่ก็ขอให้เราเลิกถึงพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็ดีเราลึกถึงพระธาตุของพระอานันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าก็ดีเราจะทำให้เหล่านี้มีความเชื่อมีความศรัทธามีความมั่นใจว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องจริงเป็นของจริงสามารถที่จะทำ ให้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ไดอ้อย่างแน่นอนไม่ต้องลังเลสงสัยแต่อย่างใด <Yeah. S 1> งนี่คือ <Yeah. S 1> เรื่องของการไปสักการะพระธาตุสาหรับคนบางคนที่ไม่มีโอกาสที่จะไปกราบสังเวชนีสถานสีสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเกิดตัททะลุ <Yeah. S 1> ที่เกิดตัททะลุที่แสดงธรรมครั้งแรก แล้วก็ที่สระละขันตาริณิพานไปดับขันตาริณิพานไปเรียกว่าสังเวชนีย ส, สถานสี่ด้วยกันเป็นสถานสีท่ที่ที่ชาวพุทธเราถ้ามีโอกาสไปได้ก็ควรที่จะไปกราบไหว้กันเพราะจะทำให้ความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มั่นคง ความลังเลสงสัยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะหายไปหมดจะทำให้มีสัตมีฉันทะวิริยะโดยมีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่มีวิริยะมีความเพียรที่แก่กล้ามีจิตตะมีจิตใจที่จดจ่อมุ่งมั่นต่อคำสอนต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติ และมีวิมังสาจิตใจที่ไข้โคนคิดพิจารณาอยู่กับเรื่องของธรรมมะต่างๆที่พุะเจ้าได้ทรงสั่งสอนเท่านั้นถ้ามีอิทธิบาทสี่คือมีฉันทาวิรยะจิตตะวิมังสาแล้วการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายนั่นเองนี่คือสาเหตุที่มาของการไปกราบไหว้ พระธาตของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอาจารย์ศาสาวก็ดีถ้าเราไม่มีโอกาสไม่มีปัญญาที่จะเดินทางไปกราบตามสังเวททั้งสี่สถานได้คือที่ประสูติที่ตัดสั้ที่สแสดงธรรมครั้งแรกและที่ดับขันปรินิพานเราก็ไปกราบพระธาตุที่นานๆจะมีผู้ที่มีบารมีสามารถอัญเชิญมาให ชาวพุทธเราได้กราบไหว้กันได้เสริมกําลังของศรัทธาให้แก่กล้าให้แน่วแน่มั่นคงเพราะถ้าการที่จะรับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้นี้จำเป็นที่จะต้องในเบื้องต้นต้องมีศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงแล้วนอกจากนั้นแล้ว ความเชื่ออย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพียงที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันความเชื่อนี้เป็นจุดเริ่มต้นถ้าไม่เชื่อเราก็จะไม่สนใจที่จะเข้าหาพระพุทธรธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเราเชื่อเราก็จะได้รู้ว่าการที่เราจะบรรลุมรรคผลนิพพานการที่เราจะได้รับผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนาได้นี้เราจาเป็นจะต้องทาอะไรบ้าง ซึ่งถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการที่เราจะเข้าถึงมรรคผลนี่ผ่านได้นี้เราจำเป็นที่จะต้องมีขั้นที่หนึ่งคือการศึกษาเรียกว่าปริยัติปริยัติธรรมคือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะฟังจะศึกษาด้วยการศึกษาจากหนังสือที่คัดเอาจากพระไตรปิฎกออกมาก็ได้พระสูตรต่าง พระสุสนสำคัญต่างๆเช่นมงคลกระสุนธรรมจักกปะปวัตนสูตรฤฤุคติประธานสี่ธนัตราชนาสูตรอธิตายะอธิตยะปริสูตรปริยายะสูตรพระสุรเหล่านี้ก็จะสอนวิธีการของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้เบื้องต้นต้องศึกษาก่อนเหมือนกับการเดินทาง เวลาที่เราจะเดินทางไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนเราก็ต้องศึกษาดูแผนที่ว่าทิศทางที่เราต้องการไปนี้อยู่ตรงไหนอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ตะอยู่ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วถนนหนทางที่จะพาเราไปมีหรือไม่ถ้าไม่มีต้องบินไปหรือไม่หรือต้องลงเรือไปหรือไม่อันนี้คือการศึกษา วิธีการที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถ้าเราไม่ศึกษาเรากพ็พอคิดว่าจะไปก็ไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่เหนืออยู่ใต้ก็ไปตามตามความคิดของเราถ้าไปแบบนี้โอกาสที่จะไปถึงมันก็ยากเราไปคิดว่านิพพานอยู่ที่เหนือแต่เราไปทางที่ใต้กันนี้ถ้าไปอย่างนี้ไปจนมันตายก็ไม่มีวันไปถึงเพราะนิพพานได้ทันใดการที่เราจะ ไปถึงพระนิพพานได้เราก็ต้องศึกษาวิธีการที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานกันอันนี้การศึกษานี้เราเรียกว่าปริยัติการศึกษาอย่างที่ญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมกันนี้ก็เป็นการศึกษาสมัยก่อนนี้ไม่มีหนังสือสมัยสมัยพุทธกาลนี้คนส่วนใหญ่ไม่มีการอ่านออกเขียนได้ไม่มีการเรียนหนังสือกันจะเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จากปากต่อปาก ถึงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมแต่สมัยปัจจุบันนี้เรามีการศึกษากันเราอ่านหนังสือได้แล้วเราสามารถเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ใส่เป็นตัวอักษรให้อ่านได้ดังนั้นเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวนอกจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วเราสามารถอ่านหนังสือธรรมะต่างๆได้ จะเป็นหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าเองก็ได้คือคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนไว้ในสมัยที่ยังมีพระชนชีพยอยู่แล้วได้มีการจดจำเอาไว้แล้วก็มีการเอามาบันทึกเป็นเป็นพระคำผีเรียกว่าพระไตรปิฎกนี่เราก็สามารถไปอ่านค้นคว้าหาคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ได้หรืออ่านคาสอนของพระอรหันตาสาบก บางรูปก็ได้พระรัาสาวกบางรูปนี้เวลาท่านแสดงธรรมก็มีลูกสิ์ลูกหามีบันทึกเสียงเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปทำเป็นทเป็นหนังสือเอามาเผยแพร่อา่านหนังสือธรรมะของถ้าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็ได้ถือว่าเป็นการเรียนรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อที่จะพาให้เราได้ไปสู่มรรคผลนิพพานตามลาดับต่อไป ถ้าไ ม, ไม่ได้ศึกษาไม่เรียนรู้เราจะไม่รู้ขั้นตอนของการไปนิพพานว่าจะต้องไปอย่างไรกันเมืม่อไม่มีไม่รู้ขั้นตอนเราก็จะทาไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างทำอะไรก่อนทำอะไรหลังแต่ถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะได้รู้ว่ามีขั้นมีตอนของการปฏิบัติ<ม>ที่จะพาให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานกัน ดังนั้นขั้นแรกสิ่งที่จําเป็นต่อการที่จะบรรลุก่อ น, ก, อ น, ก, อนก่อนที่เราจะได้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้เราต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนต้องปฏิบัติจากแหล่งศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องก็มีอยู่สองแหล่งด้วยกันก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเองที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็สูตรต่างๆเป็นต้นหรือเป็นหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกก็ได้เพราะมี มีพระที่ท่านได้ศึกษามามากท่านรู้ว่ามันมีข้อมูลเยอะแล้วก็เลยคัดเอาข้อมูลออกมาเป็นชุดๆเพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนไปได้เพราะถ้าให้ผู้อ่านผู้ศึกษาเองไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกนี้ก็อาจจะยากเพราะว่ามีถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมบทด้วยกันไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นที่บทไหนก่อนบทไหนหลัง แต่มีผู้ที่มีเวลาเช่นพระที่เป็นนักบวชที่บวชแล้วก็มีมีเวลาที่จะไปศึกษาพระไตรปิฎกก็สามารถคัดเลือกเอาพระธรรคําสอนออกมามาให้ได้ศึกษาได้อ่านเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นเรื่องเป็นราวไปอันนี้ก็อ่านได้หนังสือต่างๆที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกหรือถ้าเราอยากจะเข้าไปอ่านในพระไตรปิฎกเองก็ได้ ซึ่งในยุคนี้ก็มีคนคนหนึ่งเขาไปเอาไปย่อพระไตรปิฎกมารวมเป็นอยู่เล่มเดียวเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนถ้าใครอยากยานพระไตรปิฎกแบบง่ายๆแบบเป็นส่วนย่อที่สรุปใจความของพระสูตรต่างๆก็สามารถหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้<ม>เรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน<ม>เล่มเดียวจบ สามารถอ่า น, า น, านแล้วก็จะเกิดความเข้าใจอะไรต่างๆได้ง่ายอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษากันถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราไปเรียนกับครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านเป็นพระอารหันต์กันหรือไม่ถ้าไม่ได้ไปศึกษากับพระอารหรันต์พระอาริยะบุคคลมันก็ดีได้ความรู้ที่ถูกต้อง แต่ถ้าไปเจอพระที่เราที่ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนี้เราจะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องได้เร า, า จ, จะได้ความหลงของท่านมาแทนที่จะเป็นความรู้อาจจะเป็นความหลงแล้วเราก็ไปหลงตามท่านเหมือนกับคนตาบอดสอนคนตาบอดคนตาบอดสอนคนตาบอดให้ไปสทิศนั้นทีน่นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะคนตาบอดเองก็ไม่ร <spe> ู้ว่าทิศไหนอยู่ตรงไหน ต้องศึกษาจากคนตาดีคนตาดีก็มีเนี่ยพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นคนตาดีที่แท้จริงนอกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นคนตาดีอันนี้คือแหล่งของการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกก็ดีรือจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีถ้าได้สองแหล่งนี้แล้วจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ที่จะสามารถปฏิบัติตามได้นะครับพาให้เราไปถึงพันิพานได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งแรกที่เราจําเป็นจะต้องมีถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพานจากพระพุทธศาสนาต่อจากความมีศรัทธาความเชื่อขันแรกก็มีความศรัทธาความเชื่อไม่ให้เชื่อแบบงม ง, งายไม่ให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสามารถเสกสามารถเป่า สิ่งต่างๆให้กับเราได้อยากจะได้ลูกก็ไปขอพระพุทธเจ้าได้อยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าได้ <c oughs> ความเชื่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นความเชื่อแบบงมงายเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่เลยมีความสามารถที่จะให้สิ่งต่างๆที่เราขอได้สิ่งเดียวที่เราสามารถจะขอได้จากพระพุทธเจ้าก็คือให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจท่งนั้น นอกนั้นแล้วพระพุทธเจ้าให้กับเราไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการทำการกระทำของเราการกระทำดีกระทำไม่ดีเป็นต้นทำดีเราก็จะดีทำไม่ดีเราก็จะไม่ได้ดีให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมถ้าอยากจะได้อะไรเราต้องทำสิ่งที่เราที่จะพาให้เราได้สิ่งที่เราต้องการ ถ้าอยากจะเรียนเก่งๆก็ต้องดูหนังสือเยอะๆไม่ใช่เล่นเกมไปเที่ยวดูดูทีวีดูไปเล่นไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆเราถึงเวลาสอบก็สอบไม่ได้ถ้าอยากจะได้คะแนนดีๆก็ต้องดูหนังสือเยอะๆการกระทำสิเหตุที่ถูกต้องผลมันจะตามมาเพราะเหตุที่เราทําถ้าเราทําเหตุไม่ดีผลมันก็จะไม่ดีตามมา น, นี่คือหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเวลาเราอยากจะได้อะไรให้ไปกราบพระจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ขอขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้ขอไม่ได้หรอกความจริงความจริงมันอยู่ที่เรื่องของเหตุและผลถ้ามีเหตุผลมันก็มีถ้าไม่มีเหตุผลมันก็ไม่มี น, นี่นี่คือความเชื่อที่ไม่งมงาย ต้องเชื่อว่าพระเจ้านี้ทำให้ให้ละ ใ, ให้กับเราได้อย่างเดียวก็คือวิธีการดับความทุกข์ที่มีในใจของเราเท่านั้นเองแต่การที่จะขอให้ร่ําให้รวยขอให้อยู่ไปหายเจ็บหายไขย้เวลาเป็นโรคมะเร็งก็ไปขอพระขอให้หายจากหายเจ็บหา ย, ขายไข้ไม่หายหรอกพระเองยังเป็นเลยอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ญ า, าติโ ย, ยมทุกคนที่มีร่างกายนี้ห น, นีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทั้งนั้น อย่าไปเชื่อแบบงมงายให้เชื่อด้วยเหตุด้วยผลให้เชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ให้อะไรกับเราได้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยไปขอจากพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าจะสอนเราวิธีที่เราจะทําสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนถ้าขออย่างนี้รับประกันได้ได้อย่างแน่นอนถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าอยากจะไปนิพพาน ถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเป็นสิ่งที่เราสามารถขอจากพระพุทธเจ้าได้หรือขอจากพระธรรมคาสอนก็ได้ขอจากพระอริยสงสาวกก็ได้และมีคําตอบให้กับพวกเราทุกคนว่าจะต้องทําอย่างไรกัน <Yeah. S 2> เมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรกันก็นําไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สองเราเรียกว่าขั้นปฏิบัติ <Yeah. S 2> คือต้องนําเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ไปปฏิบัติ และการเรียนรู้นี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเรียนกันแบบ <c oughs> เป็นปีๆการปฏิบัตินี้การเรียนรู้นี่ให้เราเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้นําเอาสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นี้ไปปฏิบัติเท่านั้นก็พอเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราจะรู้ว่าการที่เราจะไปนิพพานนี้ก็มีการต้องปฏิบัติอยู่สามขั้นตอนด้วยกันเท่านั้นเองขั้นตอนที่หนึ่งก็เรียกว่าเราต้องทําบุญทําทาน ขั้นตอนที่สองเราต้องรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ขั้นตอนที่สามก็คือเราต้องปฏิบัติจิตภาวนาจิตภาวนาก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าสมถะภาวนาคือการปฏิบัติทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ <Yeah. S 1> ขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา <Yeah. S 1> คือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมา <Yeah. S 1> เพื่อให้เกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆขึ้นมา มีการมีสี่ขั้นท่านนะั่นเองของการปฏิบัตินั้นเราก็เรียนรู้แค่เพียงแค่สี่ขั้นนี้ก็พอถ้าเราต้องการบรรลุมากผลนิพพานไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรไปมากไปกว่านี้เรียนรู้ว่าทำไมเราต้องทำบุญทำทานกันทำไมเราต้องรักษาศีลกั น, นทำไมเราต้องทำจิตใจให้สงบกันทำไมเราต้องศึกษาเพื่อให้เราเกิดปัญญากันขึ้นมาแล้วก็ศึกษาว่าทายังไงถึงจะ การทำทานรักษาศีลการภาวนานี้ทำอย่างไรถึงจะเป็นวิธีธารมที่ถูกต้อง้อางให้เรียนรู้แค่นี้าการปฏิบัติเพื่อมาผลนิพานนี้คำสอนนี้มีแบ่งเป็นสองสองชุดด้วยกันชุดหนึ่งนี้สอนให้กับคาลวะผู้ครองเรือนและอีกชุดหนึ่งนี้จะไปสอนให้กับพวกที่เป็นนักบวชซึ่งก็เป็นคาสอนที่เหมือนกันต่างกันตรงที่ ขั้นที่หนึ่งท่านเองคือถ้าเป็นคารวะญาติโยมนี้ผู้เจ้าก็สอนว่าญาติโยมมีเงินมากแล้วมักจะเอาเงินนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์อย่างถูกต้องแทนที่จะจะเป็นเครื่องมือดับความทุกข์กลับจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างความทุกข์ใหก้กับญาติโยมมากถ้าเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆมาดับความทุกข์ เช่นเวลามีความไม่สบายใจก็เอาเงินนี้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิง้งไปซื้อของที่เราที่เราเห็นแล้วเราชอบของสวยๆงามๆแต่ความจริงไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเลยแต่คิดว่าถ้าเราซื้อแล้วเรามีความสุขพอสุขแล้วความทุกข์ใจมันจะหายไป มันไม่หายแบบถาวรมันหายแบบชั่วคราวเราทุกข์กับเรื่องอะไรพอเวลาเราไปเที่ยวเราก็ลืมเรื่องนั้นไปชั่วคราวพอเรากลับมาจากเที่ยวแล้วเรื่องนั้นมันก็ยังอยู่กับเราอีกต่อไปแล้วกลับมาก็จะต้องมาเจอความทุกข์อีกอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ด้วยด้วยการใช้เงินทองสาหรับคนที่ยังใช้เงินทองดับความทุกข์อยู่ด้วยการหาความสุขทางตา ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าทางการการมคุณคห้าทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้ขอให้เราอยากใช้วิธีนี้ดับความทุกข์เพราะมันไม่ดับความทุกข์นอกจากไม่ดับความทุกข์แล้วมันเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปอีกเพราะมันจะทําทให้เราติดถ้าเราติดเที่ยวเราก็จะท่องเที่ยวอยู่เรื่อยๆพอเวลาใดที่เราไม่ได้เที่ยวขึ้นมาเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง อย่าไปใช้การเที่ยวการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมาเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ให้เอาเงินถ้าเรามีเงินแล้วเราอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินให้เอาเงินไปทําบุญทําทานเท่านั้นถ้าเราทําบุญทําทานเราจะได้ความสุขอีกแบบหนึง่งเป็นความสุขที่มันจะอยู่กับใจเราแล้วก็ทําให้ใจเรารู้สึกเย็นรู้สึกสบายรู้สึกอิ่มรู้สึกพอ จะทําให้ความอยากที่จะไปเที่ยวไปซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆนี้ลดน้อยถอยไปหายไปได้เวลาที่เราไม่มีเงินเที่ยวเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่มีเงินไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราก็จะรู้สึกเฉยๆถ้าเราได้ความสุขจากการทําบุญทําทา น, นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้จักใช้เงินทองให้ถูกต้องเงินทองนี้มีประโยชน์อยู่สองส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งก็คือมาใช้ดับความทุกข์ทางร่างกายร่างกายเราต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเราก็ต้องมีเงินมีทางไปซื้อปัจจัยสี่นี้มาเลี้ยงดูร่างกายอันนี้ทุกคนยอมรับกันว่าต้องมีด้วยกันแต่การเลี้ยงดูร่างกายก็ต้องให้รู้จักพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมากไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มันก็มันก็ได้เท่าที่เท่าที่มันจะได้เท่านั้นเองเช่นจะกินอาหารมื้อละร้อยกับกินอาหารมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันกินอาหารมื้อละห้าร้อยนี่เรียกว่ามากเกินไปเพราะถ้าเรากินอาหารมื้อละร้อยได้ทําไมเราต้องไปเสียตั้งห้าร้อยอันนี้ก็ต้องรู้จักประมาณในการเลี้ยงดูร่างกายเสื้อผ้าก็เหมือนกันเสื้อผ้าก็มีหลายราคาราคาเป็นร้อยก็มีราคาเป็นพันก็ ม, าาเ 1, กมีเป็นหมื่นก็มี แต่มันก็เป็นแค่เสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามันมีไว้ทําไมมันก็มีไว้ปกปิดร่างกายเท่านั้นเองป้องกันร่างป้องกันพิษภัยจากอากาศที่หนาวเย็นหรือว่าป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยที่อาจจะมากัดตามร่างกายได้เท่านั้นเองจะเป็นชุดละหมื่นชุดละร้อยชุดชุดเป็นร้อยหรือชุดเป็นหมื่นมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันเหตนไม่ควรที่จะเสียเงินเสียทองให้มากไปเกิน ไม่ได้ประโยชน์อย่างไรให้รู้จักประมาณในการใช้เงินทองที่จะเอามาใช้เลี้ยงดูร่างกายน้อยเกินไปก็ไม่ดีถ้ากินอาหารน้อยเกินไปโรคร่างกายก็อาจจะผอมอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ก็ต้องกินพอประมาณกินพอให้ร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขอันนี้คือหน้าที่ของเงินทองไว้เลี้ยงดูร่างกาย แล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินทองเราก็เอาเงินทองไปทําบุญในรูปแบบต่างๆเอาไปทําทานทําทานนี้แปลว่าการให้ให้แล้วจะเกิดบุญขึ้นมาคือความสุขใจอิ่มใจไม่ว่าจะให้ใครก็ได้ได้ความสุขใจอิ่มใจได้บุญเหมือนกันให้กับพระก็ได้บุญให้กับคารวะก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจเหมือนกัน เราก็สามารถให้โดยวิธีการต่างๆมีการให้ด้วยด้วยเหตุผลหลายเหตุผลด้วยกันบางทีเราก็ให้ด้วยความกตัญญูกะตะเวทีเราต้องการตอบแทนดุลคุณผู้ที่มีพระคุณกับเรากับเราเช่นบิดามารดาปูยา่ย่าตายายบางทีเราก็เห็นว่าท่านลำบากท่านไม่ค่อยสบายแล้วถ้าเราอยากจะให้ท่านมีความสุขความสบายทางร่างกายมากขึ้น เราก็ให้เงินให้ทองให้ท่านไปซื้อข้าวซื้อของอะไรที่จาเป็นมาใช้มากินมาอยู่ตอบแทนบุญคุณกับผู้มีพระคุณอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันเอาเงินทองมาทําบุญกันอย่าเอาเงินทองไปซื้อของตามความอยากเพราะจะส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มีกำลังมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เรานี้ต้องเดือดร้อนต้องคอยไปดิ้นหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อ ซื้อของมาตอบสนองกิเลสตัณหาของเราแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถมีความสามารถที่จะหาเงินทองมาซื้อตอบสนองกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหามันก็จะสร้างความทุกข์ความหงุดหงิดสร้างความซึมเศร้าความเศร้าสร้อยเหงาเหงาว้าเวให้กับเราได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาเงินไปใช้เลี้ยงหรือสนับสนุนกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้าเอาเงินไปทําบุญเพราะการทําบุญนี้จะเป็นการ เป็นการสกัดกั้นความโลภ ค, ความอยากไม่ให้มันมีโอกาสได้ได้ไดเจริญเติบโตนั่นเองนี่คือหน้าที่ของของผู้ที่มีเงินทองให้รู้จักใช้เงินทองให้ถูกต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทางร่างกายก็ให้ปัจจัยสี่แก่ร่างกายทางจิตใจก็ให้บุญแก่แก่จิตใจให้ความสุขความอิ่มใจความพอใจ เราจะทำให้ใจอยู่เฉยๆได้ไม่ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่ไปไปไปซื้อข้าวซื้อของแพงๆมีของหรูหราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่หิวไม่โหยไม่มีตีเลตตันหานที่อยากจะได้ของเหล่านั้นมาใ่อย่างใดนะคือนี่คือหน้าที่หลักของเงินทองที่เรามีอยู่นี่แต่ถ้าเราไปเป็นนักบวชเนพอเราเห็นเราอยากจะบวชเราอยากจะปฏิบัติธรรมให้มาก เพราะการเป็นคาราวาผู้ครองเรือนี้เรามีเวลาน้อยต่อการปฏิบัติเพราะว่าเรามีหน้าที่การงานอย่างอื่นต้องทําเราต้องทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเวลาที่จะเอามาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี้มันมีน้อยมากอาจจะทําได้วันหนึ่งอาจจะนั่งสมาธิได้แค่สิบห้านาทีนี้ก็ถือว่ามากแล้วบางทีนั่งก็นั่งไม่ไหวสิบห้านาทีนั่งแล้วก็เริ่มรู้สึกปวดอดัด เพราะว่าใจเราคิดมาทั้งวันพออยู่ดีๆจะมานั่งเฉยๆให้มันหยุดคิดนี่มันไม่ยอมหยุดพอมันไม่ยอมหยุดมันก็สร้างความรู้สึกกระดาดขึ้นมาทำไปทำมาก็นั่งไม่ได้อยู่ดีสำหรับคนที่ต้องการที่จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติมากๆนั้นเขาก็เห็นทางเลือกอยู่ทางหนึ่งก็คือการไปเป็นนักบวชนี่แต่การไปเป็นนักบวชนี้ก็มีข้อแม้ว่าต้องไม่ให้ไ ม, ใหไม่ให้เอาเงินเอาทองติดตัวไปด้วย คนที่ไปบวชเป็นพระนี้ต้องสละรับสมบัติข้าวของเงินทองเพราะเงินทองนี้มันไม่ได้เป็นเครื่องมือในการใช้ในการดับความทุกข์แต่มันจะเป็นตัวสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้กับผู้ที่ยังยึดติดอยู่กับเงินทองอยู่ดังนั้นถ้าไปเป็นนักบวชแล้วก็ถือว่าไม่มีเงินทองติดตัวไปแล้วเมื่อไม่มีเงินทองติดตัวไปก็ไม่ต้องทําทานอีกต่อไปอเรียกว่าปฏิบัติ สองข้อใหญ่ก็คือศีลกับภาวนาภาวนาก็แบ่งเป็นสองขั้นขั้นสมาธิและขั้นปัญญาก็คือสรุปและสำหรับนักบวชวิธีการที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คือการรักษาศีลการปฏิบัติสมาธิและการปฏิบัติปัญญานี่เองส่วนสาหรับคารวะผู้ครองเรือนี้ยังหาเงินหาทองอยังใช้เงินใช้ทองมาดับความทุกข์อยู่ ก็ต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงินใช้ทองดับความทุกข์ด้วยการเอาเงินทองนี้ไปทําบุญทําทานแทนอย่าไปใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆอย่าไปใช้กับการเที่ยวการดูการฟังการกินการดื่มอะไรต่างๆทั้งสิ้น <c oughs> เพราะการกระทําเหล่านี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แตเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีมากเพิ่มขึ้นไปอีกโดยไม่รู้สึกตัวขึ้นมา <c oughs> อันนี้คือทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนี้จึงแ บ, บ่งเป็นสองรูปแบบด้วยกัน สำหรับคารวะญาติโ ย, กยมก็ทานศีลภาวนาทําทานรักษาศีลห้าไปก่อนแล้วก็วันพระอาจจะรักษาศีลแปถ้าอยากจะปฏิบัติเข้มข้นในวันพระคือปฏิบัติทั้งวันก็ถึงศีลแปแต่ถ้าปฏิบัติเข้มข้นไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะไปอยู่วัดไปปฏิบัติก็ถือศีลห้าไปก่อนแล้วก็ฝึกสมาธิก่อนนอนก็ดีหรือตื่นเช้าขึ้นมา เวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ไปก่อนเป็นการฝึกสมาธิแบบหยาบๆไปก่อนแต่ถ้าแล้วก็จเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเราอะไรไม่ใช่เป็นเราอะไรเป็นของเราอะไรไม่ใช่เป็นของเราอะไรที่ทําให้เราทุกข์อะไรที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ อันนี้ต้องอาศัยการศึกษาการเรียนรูน้ด้วยปัญญ์เรียกว่าขั้นปัญญาอันนี้ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติของผู้ที่เป็นผู้คลองเรือนทำบุญทําทานเพราะเรามีเงินที่อยาวไปใช้ซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นเราก็เอาเงินนี้มาทำบุญทําทานกันแล้วพยายามรักษาศีลขั้นต่ำให้ได้ก็คือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณี ไม่พูดปดไม่ดื่มของมุนเมาต่างๆอันนี้ก็เป็นขั้นศีลของผู้ที่คองเรือนแล้วก็หาเวลาว่างเมื่อไหร่ก็หันนั่งสมาธิสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างมากน้อยก็แล้วแต่กำลังของสติถ้าอยากจะนั่งได้นานก็ต้องฝึกสติให้มากฝึกสติทั้งวันเวลาทำอะไรก็ให้มีสติอยู่งานที่เราทาอยู่ อย่าใจให้อย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นการสร้างสติขึ้นมาแล้วพอเวลาที่เรามานั่งสมาธิก็จะนั่งเราจะไม่รู้สึกเกิดอัด น, นั่งเราจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายพอเราเห็นว่าการนั่งสมาธินี่มีทำให้ใจเราเย็นใจสบายก็อาจจะอยากจะนั่งเพิ่มมากขึ้นก็ได้ ก็อาจจะหาเวลาว่างวันที่เราหยุดทำงานวันที่หยุดทำงานนี่แหละคือวันพระของเราเพราะสมัยนี้วันพระกับวันหยุดทำงานของเราบางทีมันไม่ตรงกันถามว่าวันพระนี้ความจริงก็คือวันหยุดทำงานก็ที่เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติสมาธิมาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองดังนั้นถ้าเรามีเวลาว่างในวันหยุดทางานไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตาม แล้วเราอยากจะปฏิบัติธรรมเราก็ใช้วันนั้นมาเป็นวันที่เราปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นคือปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลยวันนั้นไม่ทำภารกิจอย่างอืง่นเปลี่ยนภารกิจจากการทำภารกิจทางโลกมาสู่การทำภารกิจทางธรรมด้วยการเจริญสติด้วยการรักษาสีนแปเพิ่มจากสีลห้าเพราะสีนห้านี้ไม่มีกําลังพอที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนได้ ถ้าอยากจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนี้ต้องมีการรักษาศีลศีลแปดขึ้นไปม <c oughs> ีเกินการปฏิบัติของผู้ที่ยังเป็นผู้คลองเรือนอยู่ทำได้เพียงเท่านี้นทำได้ในเฉพาะวันหยุดทางาน <c oughs> มีเวลาว่างก็เอาเวลาว่างนี้ไปให้กับการปฏิบัติทำ <c oughs> ส่วนวันที่ไม่ว่างต้องทางานก็ทำเท่าที่จะทาได้อาจจะนั่งสมาธิวันละครั้งสองครั้งเช้าเย็น ตอนนอนหรือหลังจากตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็อาจจะฟังเทศฟังธรรมหรพิจารณาธรรมบางข้อเช่นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารร่างกายที่ทรงสอนให้ชาวพุทธเราพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าก่อนมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องมีการพัดทาาจากการเป็นธรรมดา อันนี้ก็พอแล้วสําหรับปัญญาในเบื้องต้นขอให้เรารู้ว่าชีวิตเหล่านี้มันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่จะเป็นอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดก็เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปอันนี้กค็คือเรื่องของทานศีลภาวนาแต่สําหรับผู้ที่ได้ไปบวชนี้เรื่องของทานก็ไม่ต้องทําแล้วเพราะไม่มีเงินมีทองเพราะมีเงินทองเท่าไหร่ก็สละให้กับคนอื่นไปหมดแล้ว นี้ก็ไปศึกษาในเรื่องศีลศีลของนักบวชก็จะมีเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยจากศีลจากศีลห้าศีลแปก็จะมาเป็นศีลสิบศีล2องยยีถ้าเป็นสา ม, มเณรก็บวชก็จะต้องถือศีลสิบถ้าเป็นพระก็ต้องถือศีลสองิบเจ็ดมีข้อห้ามเยอะขึ้นเพราะต้องการให้พระประพฤติปฏิบัติตัวให้สวยงามนั่นเองให้เป็นที่น่าเคารพศรัทธาเรื่องใสของประชาชนผู้ให้กําลังสนับสนุน ด้วยการถวายปัจจัยสี่อาหารบินบาบีวอนเครื่องนุ่งหมปุติที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นต้องประพฤติตนเองให้เป็นที่น่าเคารพนับถือจึงมีข้อมีกฎมีข้อห้ามเยอะเพื่อที่จะไดะ้ทำตัวให้สวยงามแล้วก็ทำให้การปฏิบัติสติสมาธิปัญญานี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายต่อไป ก็ปฏิบัติเหมือนกันเรื่องพอถ้าเข้าเข้าสู่ขั้นปฏิบัติเรื่อเหมือนกันคือศีลภาวนาศีลก็เนี่ยต่างกันที่ศีลมากศีลน้อยของกัลยาวาดก็น้อยกว่าของพระของนักบวชแล้วการภาวนาก็เหมือนกันต่างกันตรงที่ภาวนามากภาวนาน้อยจเจริญสติมากจเจริญสติน้อยถ้าเป็นนักบวช น, นี่สามารถจเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเพียงอย่างเดียวสามารถมีเวลานั่งสมาธิได้เกือบทั้งวันทั้งคืน สลับกับการเจริญสติแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นั้นก็จะเรียกไปอบรมอยู่เรื่อยๆแสดงทําให้ฟังอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้รู้แนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ให้กําลังใจของการปฏิบัติให้มีกําลังใจเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดมีศรัทธามากขึ้นมีกําลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นมีความมีกําลังใจที่จะอดทนต่อสู้กับอุปสรรค ต่อกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่มาคอยเย้า ย, ยวนกวนใจอยู่เรื่อยๆนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติโดยคร้าวๆสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานต้องต้นต้องศึกษาแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องก็มีอยู่สองแนวทางทางของคารวะก็ทางศีลภาวนาทางของทางของนักบวชก็ศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรียนรู้วิธีแล้วเราก็นามาตปิปฏิบัติ ปฏิบัติไปแล้วเราก็กลับมาฟังมาศึกษามาถามตอบเราไม่เข้าใจส่วนไหนว่าทําถูกหรือไม่ก็มาสอบถามครูบาอาจารย์ได้ว่าทํานี้ถูกไหมถ้าทําไม่ถูกจะได้ปรับปรุงอย่างไรแก้ไขอย่างไรการศึกษาจะต้องมีการศึกษาไปเรื่อยๆควบคู่กับการปฏิบัติไม่ได้แยกทางกันการศึกษากับการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ต้องไปควบคู่กันปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจก็ต้องกลับมาศึกษาเพิ่มขึ้น เมื่อเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติต่อต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์วิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง น, น, นี้คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา mm. ก็คือขั้นต้นเราต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm. ขั้นที่สองเมื่อเรามีความเชื่อมั่นแล้วเราก็ต้องศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พอเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้นําเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนพอได้สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็จะได้ขั้นที่ขั้นที่สามของขั้นที่ต่อจากการปฏิบัติก็คือขั้นปฏิเวทคํำว่าปฏิบัติปฏิเวทก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆนั่นเองบรรลุขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามี และขั้นพระอาหารตามลําดับต่อไปอนี่แหละคือเรื่องสิ่งสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับชาวพุทธเราได้ถ้าเรามีถ้าเราเป็นพุทธแท้โดยเรามีความเชื่อที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นตามความหลักความความเป็นจริงคือเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ให้เราอย่างอื่นไม่ได้ให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพียงอย่างเดียวเท่านะั้นถ้วเราต้องปฏิบัติเราต้องศึกษาคําสอน ศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติจนกว่าเราจะได้ผลที่เรียกว่าปฏิเวทขึ้นมาเมื่อเราได้ผลแล้วเราก็จะได้บรร ล, ลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือสิ่งที่เราจะพึงได้รับจากพระพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาและพยายามปฏิบัติตามคําสอนทุกประการนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรอยากท้ า, ทาวเารวาหาปุราปาริปุเรินติสากะลังเอวามวะอิตูจินังเปตานาังอุปกาปิอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดวะเมวะสมิจะตุสัพเพปุเรินตุสังกะปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิศะนิจังวุธาปะจายโน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 อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่คะจากทาง Facebook 473 YouTube พระอาจารย์สุชาติไลฟ์325 YouTube ดกร61ค l ับ House 1วิทยุออนไลน์8ผู้รับฟังหน้ากุฏิ187รวมทั้งหมด1 0 5 5คะ่ะมีคำถามก็ได้เลยค่ะ คำถามจากทาง Facebook จากคุณต่อต่อรองกราบน้ำมัสสะภค่ะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจพุทโธไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเกิดเวทนาปวดขามากจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ เ, เฉยๆไปเลยไปมันปวดไปอย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากมันยิ่งปวดใหญ่ ถ้าเฉยๆมันก็จะไม่ปวดมากพุโทโธต่อไปอย่าหยุดพุดโทโธอย่าไปดูความเจ็บอย่าไปสนใจความเจ็บให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพยายามลืมเรื่องความเจ็บไปพอลืมแล้วความอยากให้มันหายมันก็จะไม่มีแล้วความเจ็บมันก็จะไม่ทรมาคำถามต่อไปจากผู้มารฟังนักกุฏิค่ะขณะนั่งสมาธิสักพัก บางครั้งมีอาการสะดุ้งเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขอย่างไรยู่เฉยๆไปพุโทโธต่อไปถ้าพุโทโธอยู่ถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปเหมือนขับรถไปแล้วมันไปสะดุดหลุมบ้างไปสะดุดอะไรที่มันขวางทางบ้างก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปสนใจ ตอนภาวนาแล้วเกิดเวทนาลองกําหนดพุทโธเร็วๆเพื่อสู้กลับรู้สึกว่าร่างกายอึดอัดขึ้นเราควรพุทโธแล้ววางความรู้สึกอย่างไรครับอย่าไปสนใจกับความรู้สึกให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปยิ่งอยากมันยิ่งมันยิ่งทรมารย์ให เ, เราอยู่กับพุทโธมันจะหายไม่หายไม่ไม่ไปไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปสนใจ ขอให้เราเกาะติดอยู่กับพุโทโธเป็นที่พึ่งไม่ให้ใจเราวุ่นวายท่านเองถ้าใจเราไม่วุ่นวายใจเราสงบแล้วเราก็จะอยู่กับความเจ็ดได้ค่ะคำถามต่อไปการปัดกวาดรางมดหรือฉีดน้ำใส่มดออกจากบ้านถือเป็นการเบียดเบียนสัตว์ผิดศีลข้อหนึ่งไหมแล้วควรทำอย่างไรดี มันไม่ได้มันไม่ไผิดศีลข้อหนึ่งอะมันไม่ได้ทําให้เขาตายในการไล่เข้าไปนี้บางทีมันจําเป็นก็ต้องให้เข้าไปเพราะเขามาอยู่ผิดที่ผิดทางมันก็อาจจะเป็นเป็นเป็นปัญหาได้ก็ถ้าเราสามารถย้ายที่อยู่ให้เขาได้ทํากงใหม่ให้เขาได้ทําที่อยู่ให้เขาได้ก็ทําไปกราบเรียนพระอาจารย์ การทำบุญใส่บาตรโดยนำของในบ้านที่ผู้อื่นเป็นผู้ซื้อมามาทำอาหารถวายผู้ที่ทำอาหารหรือผู้ที่ถวายจะได้บุญไหมคะได้คนละครึ่งคนเจ้าของก็ได้ครึ่งคนที่ซื้อของมาก็ครึ่งคนที่ทำก็อีกครึ่งคำถามจากผู้เริ่มนั่งสมาธิค่ะ เวลานั่งสมาธิแล้วจิตชอบคิดไปเรื่อยจะทำอย่างไรให้จิตสงบมีสมาธิต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดไปอย่าหยุดอย่าไปสนใจกับความคิดมันจะคิดก็ไม่ต้องไปสนใจให้เราสนใจอยู่กับการสวดไปหรืออยู่กับการท่องพุโทโธพุโทโธไปนะคะหมดแล้วเลยจิตเรามันชอบคิดมันคิดทั้งวันทั้งคืน อยู่ดีๆจะให้มันหยุดคิดมันหยุดไม่ได้หรอกเพียง mm hmm. แต่ว่าเราอย่าไปสนใจให้เรามาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหม่ออยู่กับบทสวดมนไปแล้วเดี๋ยวความคิดความความคิดมันก็จะเบาลงน้อยลงไปตามลำดับมีคำถามไ้มจ้าขอโอกาสเจ้าค่ะมีอยู่เริ่มแรกนะคะโยมรู้สึก พูยใกลๆเลยเอาหน้าต่างออกไหมโยมรู้สึกติดในใจนะคะต้องขอกรบพูดก่อนเลยละกันว่าถ้าเกิดกรรมที่โยมได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่ขิดล่วงเกินท่านโยมขอขอขมาหรือขอให้ท่านยกเว้นกรรมนั้นด้วยเจ้าค่ะกรรมยกเว้นไม่ได้หรอใครทำกรรมอะไรก็ต้องใช้กรรมนั้นไป<ค>แล้วจะให้โยมทำยังไงะคะก็อย่าทำสิ แต่ว่ามันเร็วมากเลยค่ะความคิดบางทีถ้ายังไม่ได้พูดไม่ได้เอามาทางกายวาจายังไม่ถือว่าเป็นอ๋อ ก, ก็แค่คิดอย่างเดียวบางที เ, เ, เพอไป<ต>ยังไม่ถึงผิดยังไม่ถึงยังไม่ถึงออออไม่มีมันไม่มีแรงไม่มีกรรมมันเพีย่เปนเป็นอ ก, กุอกขศลซึ่งจะทําให้จิตรวมยากขึ้นอ่ายากขึ้นค่ะโอเคนั้นข้อแรกค่ะก็แม่ของโยมค่ะเป็นผู้มีบุญคุณสูงมากในตัวโยมนะคะมองแทะนอกจาก ท่านพระสุปติปันโนเนี่ยก็คือมีทานมีแม่นี่แหละค่ะแต่ท่านไม่ไม่สนใจจะรักษาสินห้าเลยค่ะไม่มีความพยายามด้วยพอพูดโน้มน้าวก็โกรธอะไรย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำให้โยมทุกใจมากจะให้โยมทำยังไงคะเพราะหมดปัญญาจริงๆอ๋ออย่าไปทำเสิมันเป็นเรื่องของบัวสีเ่เราเราเป็นบัวแบบไหนก็ต้องอยก็เป็นบัวแบบนั้นไปเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ มันก็ให้คิดในใจว่ากรรมใครกรรมมันเลยอ่าใช่กรรมใครกรรมมันเรามีกรรมเป็นของของตนจะทําทำกรรมมันใดไว้เพื่อต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไปน่าจะช่วยไม่ได้ค่ะช่วยไม่ได้ก็ปล่อยไปอ่าข้อสองนะคะอันนี้ที่โยมเข้าใจนะคะหลวงพ่อแบนนะคะท่านน่าจะได้สั่งไว้ว่าล่วงหน้าเลยหลายปีเลยค่ะ ท่านพูดว่าเข้าใจนะคะว่าท่านสั่งไว้นะคะก็คือท่านบอกว่าโยมเชื่อแต่กิเลสอย่าสังขารของจิตนะคะปรุงแต่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือท่านบอกว่าตอนที่โยมกว่าปัตตาะนะคะที่วัดดอยท่านบอกว่าชันชี้ไปที่แอเรียนึงนะคะท่านบอกแค่นี้พ อ, อตอนนี้โยมไปไม่ค่อยถูกคะ่ะเลยว่าหรือว่าอะไรผิดอะไรถูกอะคะ่ะ ตกลงเนี่ยก็คือจะจะให้โยมคิดว่าโยมเชื่อแต่กิเลสแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็คือเอาแค่นี้พอไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็คืออย่างเอาแค่นี้พอคะ่ะโยมไม่มีไม่มีอะไรถูกหรือผิดว่าจิตใจอ่อนแอหรือว่าควรจะทําต่อคะอ่ะอ๋อไม่หรอกท่านบอกอะไรเราก็ทําตามท่านเพราะเชื่อทา<ห>่ทานเลยเชื่อเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านบอกให้หยุดก็หยุดท่านบอกไม่ให้ทำก็ไม่ทาําทท่านบอกให้กระโดดตึกก็กระโดดไปเลย เ <_ uk> ชื่อท่านที่ท่านพูด <_ uk> ทุกอย่างที่ส <_ uk> ท่ า, <_ uk> ทานสั่งไว้ล่วงหน้าเลยท่านมีแต่ความบาทนาดีคําพูดของท่านเป็นสิ่งที่ดีกับเราทั้งนั้นที่นั้นเชื่อท่านเนี่ยจะได้ไม่เชื่อกิเลสของเราที่ <_ uk> ถ้าเราไม่เชื่อท่านก็แสดงว่าเรายังเชื่อกิเลสของเราอยู่อธ <_ uk> ิสังขารมันสอนนี่คือไม่ต้องเชื่อเลย <_ uk> ส่วนใหญ่ร้อยเเซมันก็เกอนมันก็เป็นเรื่องของกิเลสถ้าจะเชื่อก็เชื่อต้องใช้การละมัสูตรตามกับการละมัสูตรมาพิสูจน์ได้หรือเปล่า โอ้ oh, ไม่ได้เลยถ้าเป็นสื่อไม่ได้ก็อย่าไปเชื่อโอเคค่ะข้อที่สามนะคะศีลของพระอะค่ะสองรอยี่สิบเจ็ดยิมเจ็ดข้ออะค่ะสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อนี่คือไม่มีขาดและไม่มีเกินแล้วใช่ไหมคะเหมาะสมแล้ว คือถ้าพระเจ้าอยู่ถึงวันนี้อาจจะเป็นสองร้อยสองพันข้อก็ได้เพรามันมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในการมาเพิ่มไม่ดีมากมีคนมาฟ้องพระพุทเจ้าพระเจ้าก็ห้ามเพิ่มข้อห้ามไปเรื่อยๆก็แค่แสดงว่าสองรอยี่สิบเจ็ดคือตอนนั้นมันมีแค่นั้นเพราะพระเจ้าตายไปแล้วไงแล้วไม่มีใคกรกล้ามาตั้งตั้งเพิ่มจริงถ้าตอนนี้ก็อาจมีเพิ่ม อ, อ๋อถ้ามีถ้าถ้าเพิ่มแบบ น, นี้เกินพันแล้วมั้ง เอ่อข้อสี่นะคะพ <laughs> อดีโยมคิดรื้อเปืือยอะค่ะก็สี่ก็คือโยมเป็นคนเอานี่คิดเองนะคะเป็นคนค่อนข้างโหดร้ายนะคะดื้อรั้นและเอาแต่ใจมากจะใช้ธรรมะข้อไหนขอแค่ข้อเดียวอะค่ะก่อนในการปฏิบัติเลยตั้งแต่วันนี้นะคะ่ะทำแบบพระโพธิรัตเคยอ่านนิทานเรื่พพองพระโพธิรัตหรืเอเปล่าอ่า คนที่รับไปขอปฏิบัติกับพระอรหันต์ท่านก็ไม่รับมีมีธสมเนรรูปเดียวที่รับแล้วก่อนที่จะรับให้ก่อนที่จะสอนธรรมก็ทดสอบใจก่อนว่าเชื่อฟังหรือไม่ก็สั่งมาใช้ก่อ น, นมาล้างกระโถนล้างบาทมาช่วยขวาดทูกุติทำอะไรต่างๆตามคาสั่งหรือว่าดือ้อหรือเปล่าถ้าไม่ดื้อก็ต่อไปก็สามารถสอนได้ ถ้าดูแม้แต่เพางนิดเดียวก็เล่าสอนทันทีก็ให้เอาอย่างที่สามนเณรสอนให้ท่านพุทธิรัฐใช่ไปหากูบาอาจารย์ที่เราเคารพเชื่อเชื่อถือแล้วท่านจะสอนให้เราทำอะไรก็ทำไปหมดเชื่อฟังอย่าดื้ออย่าอย่าไปคิดว่าเราเก่งถ้าเราเก่งกว่านี้เราเป็นท่าหลานไปแล้วข้อที่ห้านะคะก็คล้ายค้อก็คือ เนั่นนะคะโยไม่มีปัญญาเลยค่ะที่จะรู้ว่าตอนนี้อ่อนแอรหรือว่าเอาแค่วันนี้บางทีจะนอนอย่างเงี้ยก็ปล่อยจิตไม่ได้ค่ะว่าจะให้นอนดีหรือไม่นอนดีคือบางทีนอนเนี่ยจะต้องพยุงร่างกายค่ะขอท่านชี้แนะค่ะเราต้องมีระเบียบมันต้องกําหนดตารางเวลานอนเวลากินเวลาปฏิบัติให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนไปเพื่อกันทีเล ท, ที่มันจะมาคอย อ, อ้างนู่นอ้างนี่ เข้าใจไหมต้องมีตารางก็คือถ้ากําหนดเวลาแล้วก็คือตามทํตาตามนั้นเลยถึงเวลานั่งก็ต้องนั่งถึงเวลาเดินก็ต้องเดินถึงเวลานอนก็ต้องนอนแล้วเราจะกําหนดยังไงอะคะก็กำหนดเสร็พระพุทเจ้าสอนให้ท่านอนคือลสี่ชั่วโมงเนี้ยหน้าก็หกโมงเย็ยนถึงถึงสี่ทุ่มก็ให้เดินโยกลมนั่งสมาธิสี่ทุ่ถึงตีสองก็ให้นอนพักผ่อนตีสองถึงหกโมงเช้าก็ให้เดินโยกลมนั่งสมาธิเนี่ยตารางของพระนอนห้าได้ไหมเจ้าคะ่ะ อังก็ได้ถ้าเายังอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ห้าไม่ไหวอะค่ะถ้าสี่ไม่ไหวก็ห้าก็ได้ข้อที่หกนะคะการกําหนดจิตก่อนปล่อยวางจิตว่าจะนอนเพื่ออ่าโอเคข้อที่หกนี่คือเรื่องนอนเลยละค่ะนอนก็อยาก ค, าคิดถ้าคิดมันก็นอนไม่หลับนอนแล้วก็ต้องพูดโท้พูดโท้เลื่อดูลมหายใจเลยลอย่าไปคิดถ้าไม่คิดแล้วปั๊บเดียวมันก็หลับแต่ถ้าคิดแล้วมันก็ไม่หลับ คือคือโยมโยมกลัวว่านอนไปแล้วแล้วจะไม่ตื่นมาเป็นคนอีอะค่ะก็เล ย, เยไม่ตื่นเลยมามันเคยไม่ตื่นหรือเปล่ า, ามันก็ตื่นมาทุกวันนี้ไม่กลัวทำไมไม่ต้องกลัวไปเลยจะตื่นไม่ตื่นก็ช่างมันอมันเคยไม่ตื่นหรือเปล่ า, า ไ, มไม่เคยเลยดูเปอร์เซนต์ ด, ด, ดูดูสถิติเลยนั่นแต่นอนมามีวันไหนไม่ตื่นลรไหมนั่นอ่ะ คือคิดอย่างนี้โยมไม่หลับแน่ค่ะก้อนก็ให้คิดว่ายังไงดีคะให้คิดว่ า, <อ>าต้องไม่ตื่นก็ไม่ตื่นแล้วแต่อะไรจะเกิดก็เกิดก็แล้วกันอะไรจะเกิดก็ <ไป S 2> ช่างมันควบคุมไม่ได้เราบังทับไม่ได้เป็นอนัตตาสัพเพธรรมานัตตานั่งกายเป็นอนัตตาข้อที่เจ็ดนะคะคือโยมไม่อยากผูกโยงกับใครให้มากที่สุดนะคะแต่ก็ทําไม่ได้ะคะ่ะอันนี้ขอความถูกต้องในความคิดนะคะ คือโยมคิดในใจก่อนประมาณเจ็ดวันนะคะโยมคิดว่าโยมมีหน้าที่ให้รักษาศีห้าก่อนคนอื่นเราจะต้องเชื่อแค่กฎแห่งกรรมพอไม่งั้นใจเรายุ่งเหมือนที่คิดเรื่องแม่อะคะ่ะแค่นี้ถูกต้องหมคะใช่ถูกต้องตัวใครตัวมันถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ปล่อยไป เมื่อกี้ที่ท่านข้อสุดท้ายนะีเมื่อกี้ที่ท่านพูดแล้วนะคะติ้งต่างว่าโยมมีวันว่างแค่วันเดียวอะคะ่ะโยมต้องทําความสะอาดห้องคอนโดโยมให้สะอาดแค่นั้นพอแล้วหลังจากนั้นก็คื อ, อก็คือเร่งปฏิบัติเลยการทาําความสะอาดก็ปฏิบัติควบคู่กัได้ มีสติอยู่การการการทําความสะอาดแต่ห้องยมของเยอะมากไม่เป็นไร อ, อย่าไปคิดเท่านั้นเองใ ห, ใ, หให้มีสติอยู่ยางานที่เราทํเราเรียกว่าเป็นการเจริญสติหรือว่าทําแค่พอดีแล้วก็ทําสติ <c oughs> เลยให้น้อยๆเลมีเตียงม ไ, มไม่ต้องมีเตียงก็ไม่ต้องดูแลแล้วสะอาด น, นอนกับพื้นปู ด, ด้วยปู ด, ด้วยผ้ามีหมอนใบหนึง่งจบกฝาดถูก็ง่าย ไม่ต้องไปคอยมีมุมนั้นมุมนี้ต้องคอยเข้าไปทําทํานเยอะๆสีข้าของอะไรที่ไม่จําเป็นก็เอาไปบริจาคทาทานไะให้หมดเก็บไว้เท่าที่จําเป็นอยู่แบบพระถ้ามีแค่อัฐบริการมีสมบัติอยู่8ดชิ้นนั่นี้ก็คือตอนนี้ของเยอะให้เอบริจาคให้หมดอ่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับการปฏิบนะัติอะมันเป็นของกีดขวางการปฏิบัติของเรคก็โยมคิดว่าเดี๋ยวเก็บให้แม่ค่ะแม่เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ต้องไปห่วงแม่แล้วไปเป็นทลายกับแม่หไปเปล่า ให้คนยากจนที่เขาไม่มีดีกว่าเอาไปบริจาคเล ย, เ อ, เ, ลยเอาไปขายก่อนได้ไหมคะบางอย่างบางอย่างของมันมีค่ามากแล้วอย่าไปซื้อของใหม่ก็แล้วได้เงินมาก็อย่าไปซื้อของใหม่ได้เงินมาก็อาไปทําทานทำบุญทำทานต่อแล้วเก็บไว้เลี้ยงดูเราก็ได้เลี้ยงดูล่างกายเราก็ได้ค่ะหมดแล้วค่ะดีไหมจอย คำถามจากคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะจากคุณทีรศักดิ์กราบนมัสการครับผมนั่งสมาธิแล้วติดปัญหาเหมือนมีอารมณ์นิ่งๆซึมๆเบื่อๆหดหูบ้างติดออกมาในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นถี่นะมิทธะไหมครับขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับก็การขาดสติเนี่ยเวลามันไม่มีสติจิตมันก็เลยคิดไปหลากหลายด้วยกัน ก็ทําให้เราเคลดขี้เกียจขึ้นมาก็ได้เคล็ดเบื่อหน่ายขึ้นมาก็ได้มันก็เลยทําให้เราเกิดอาการง่วงเงาหรือบางทีมันก็เกิดจากการกินมากเกินไปนักปฏิบัติต้องกินน้อยๆกินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินกินแค่มื้อเดียวก็พอวันนึงนะรับรองได้ว่าความง่วงเหงาเขานอนจะไม่มีอะมีคําถามกรับหนะลวงพ่อสมสารเขาเป็หลวงพ่อคุย ใ, ใกล้ๆเลย <laughs> รับนมัส ก, การครับหลวงพ่ อ, อผมมีคำถามเรื่องอการฝึกกะสินมโนโมยิทธิยานแล้วก็อภินญายาณยังเป็นขั้นของรโลกิยะธรรมหรือเปล่าครับเป็นขั้นสติ<อ>ขั้นสติขั้นสมาธิครับยังไม่ขั้นไม่ยังไม่เป็นโลกุตระโลกุตระต้องวิปัสนาต้องพิจารณาตายรักอนิจจทุกขังอนัตตาอาริยสัจสิขับอุสาทุ